เจ็ดสันจิตจะสิกขาบท 1. 1ึ่ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้จงใจก่อความรำคาญให้แก่ภิกษุณะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารพใครตอบทรงปรารพพวกภิกษุฉัพักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพัก ค, คีจงใจก่อความรำคาญให้แก่ภิกษุในสันจิตจะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสมสมุดฐาน